ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความฝันของพระราช า, าศาสดาพยากรตอนที่สี่โดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส1อดกรกฎาคม2549น้าณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ นาบัดนี้อ่าวันนี้วันนี้จะพยายามให้จบแม่มันยังเหลืออีกเยอะอยู่อ่ะเรามาต่อความฝันเรื่องที่สิบสองหัวข้อว่าน้ำเต้าจมน้ำน้ำเต้าอะ่ะรู้จักน้ำเต้าใช่ไหมอ่ามอมฉันเห็นลูกน้ำเต้าจมน้ำได้ อะไรเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าค่าสังเกตดูนะความฝันของพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยแปลกแปลกองนั้นเลยฝันอะไรที่มันมันมันไม่แบบปกติอ่ะมันเป็นความฝันที่มันมันมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างน้ำเต้าเนี่ยจริงๆมันเบามันปกติมันจะลอยน้ำไอ้นี่กับกลายเป็นว่าฝันเห็นน้ำเต้าเนี่ยจมน้ำเพราะมันเป็น เป็นความฝันที่มันมันเหลือเชื่อพูดง่ายเพราะในในโลกนี้มีหลายอย่างที่เหลือเชื่อแต่ปรากฏว่ามันเป็นจริงได้นะโดยที่บางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงมันมีเหลือเชื่อทั้งเลวจนเหลือเชื่อ <c oughs> นะคือคิดไม่ถึงว่าโอ้โหจะเลวขนาดนี้เหลือคนเราโอ้มันเลวได้จริงๆถึงขนาดนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกัน ดีจนเหลือเชื่อคือคือไม่เชื่อหรอกโอ้โหจะมีคนดีขนาดนี้ใช่เหรอแต่มีจริงๆด้วยในโลกนี้จนกระทั่งถึงบอกว่าคนทําดีเนี่ยกับคนอื่นจนกระทั่งแบบว่าไม่ไ ม, ไม่คิดถึงผลประโยชน์อะไรของตัวเองเลยเนี่ยยอมได้แม้แต่อะไรอะ่ะบางทีเสียสละทรัพย์ทั้งหมดหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเสียสละซับทั้งหมด โหมีเหมือนกันในชะ่คนที่กล้าที่จะเสียสละทรัพย์ทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเองหมดเนื้อหมดตัวเลยนะโอ้โกล้าหรือยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นสละอวัยวะใช่ไหมโอ้ฟังแล้วบางทีเพราะว่าคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหมบางทีเอาละต่อให้สละทรัพย์ทั้งหมดนี่เราก็ว่าแน่แล้วนะ ยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ปรากฏว่าอะไรบางทีให้สละอวัยวะที่กลัวหวาดเสียวไม่กล้านะเอาสละไตทักข้างซิช่วยบางทีไม่ใช่ช่วยคนอื่นด้วยนะช่วยพ่อแม่หรือว่าช่วยพี่น้องตัวเองโหคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่ง่ายนะอะ่หรืออะไรอีกอะเนี่ยเกี่ยวกับอวัยวะสละอะไรอีก ตาใช่ไหมตานี่ส่วนใหญ่สละตอนตายแล้วไอ้สละตอนเป็นเป็ น, นี่คงโอ้โหคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอะนะหายากแต่ทั้งหมดเนี่ยเชื่อไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งซึ่งกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้อ่นะท่านต้องบำเพ็ญมาลสละมาเกือบแล้วทั้งนั้นนะ่ะสละชีวิตก็สละแล้วสละอวัยวะก็สละแล้วกว่าจะเป็นพพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นน่ะอย่านึกว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้เจ้าจะง่ายๆนะยิ่งเนี่ยใครยังแค่มีทรัพย์สินเงินทองแม้บริจาคหน่อยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ได้ฮะเดี๋ยวกลัวจนโธ่เอ้ยอย่างนี้ยังห่างไกลอีกเหลือเกินเลยละ่ะเพราะฉะนั้นน่ยใครเนี่ยที่จะสำเร็จเป็นมรรคผลได้ทำไมบางทีทต้องมาบวช เพราะพู้ศึกษาเอาด่านแรกเนี่ยมาบวชเนี่ยก็คือยังไงน้อยสละทรัพย์ทั้งหมดใช่ไหมมาบวชเนี่ยคื อ, อ, ว, คอว่าต้องศูนย์หมดเลยอะ่ะมีมรดกมีอะไรสละออกให้หมดจะต้องอย่างนั้นเลยซึ่งจริงๆง่ายที่สุดแล้วสละทรัพย์เนี่ยง่ายที่สุดแล้วเพราะเดี๋ยวขึ้นไปสละอวัยวะนี่อืหยากกว่านั้นน่ะใช่ไหมแล้วแต่นี้สูงขึ้นไปอีกถึงขั้นสละชีวิตมันไม่ยิ่งยากกว่าเรอ ยิ่งยากใหญ่เลยแต่ผู้เจ้าเนี่ยโอ้ยยิ่งยิ่งชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนอี่ยจะเห็นได้ชัดเลยสละทรัพย์ทั้งหมดเลยจนกระทั่งโดนดา่าโดนว่าโอ้ยโดนชาวเมืองไล่เลยสละได้ยังไงอย่างเนี้ยคือคนรับไม่ได้นั้นดีเกินไปดีเกินกว่าที่คนธรรมดาจะยอมรับได้จริงจริงนะ ถ้าคุณดีเกินเกินขนาดคนในที่นั้นจะรับได้คุณอยู่กับเขาไม่ได้หรอกเพราะสมองเขาตามไม่ทันเขาคิดไม่ทันอะ่ะเพราะนั้นเขารับไม่ได้เพราะนั้นคุณอยู่กับเขาไม่ได้เขาไล่แน่เพราะนั้นจะต้องอยู่ในสถานที่ที่คนเขาต้องรู้ต้องเข้าใจได้ด้วยคราวนี้ตรงข้ามเลยเขาจะเคารพเขาจะศรัทธาโอ้โหจะแบบว่านี่เหนือมนุษย์ยอดมนุษย์ เราถึงได้ยกไว้ไงว่าผู้เจ้านี่โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะอันนี้กับก็พูดให้ฟังบ้าว่ากว่าจะดีได้เนี่ยวันบางคนเนี่ยตั้งตบาบะไปบ้างศีลไปบ้างอะไรอ่ะสลาแค่นี้นิดหน่อยยังไม่ค่อยจะกล้าสละเลยกิเลสบางอย่างเนี่ยใช่ไหมของเราอ่ะกอโทให้เราก็รู้ว่าทำจริงๆก็ทำได้ แค่เนี้ยยังไม่ยอมเลยเนะ่แล้วบางทีก็ไม่ได้ไปให้ทำยาวนักนะแค่พรรษานี่เท่านั้นนะ่ะแค่สามเดือนเนี่ยทำจริงๆก็ทำได้เอาเอาต่อให้ว่าพ้นพรรษาแล้วเดี๋ยวก็คุณอยากจะไปทำก็ไปทาใช่ไหยอยากจะกินอะไรอร่อยก็ไปกินสามเดือนจริงๆทำได้แนะ่แต่อย่างเงี้ยบางทีก็ยังมันมันแค่เนี้ยนะทำใจไม่ได้ ยอมไม่ได้เพราะถ้าถ้าสภาวะจิตยังเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพูดถึงสลากริเล ท, ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเยอะแยะมากมายไม่ต้องพูดถึงเลยจริงจริงะันเนี่ยถ้ายิ่งศึกษาประวัติยิ่งศึกษาการปฏิบัติของพุทธเจ้าเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหทรมานทรกรรมมากเลยตอนบำเพ็ญทุกรากิริยาเงี้ยคุณคิดดูสิเป็นเราอะเลิกไปนานแล้ว <c oughs> โอ้โหต้องหกปี โอ้โหฝึกอยู่นั่นน่ะแล้วแต่และอย่างนี่ทรมานทั้งนั้นเลยทรมานเพื่ออะไรเพื่อบรุธรรมไอ้ของเราอ่ะหิวหน่อยอดหน่อยวัไม่เอาแล้ว <c oughs> ขอกินก่อนละเรื่อ <c> ง <oughs> อื่นค่อยว่า ก, กันทีหลังเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยสภาวะจิตวิญญาณมันเทียบกันไม่ติดเพราะฉะั้นเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยฟังชาดกฟังพระธรรมต่างๆแล้ว ต้องพยายามเข้าใจให้ได้ต้องพยายามแบบว่าอะไรประทับใจให้ได้เลยประทับใจให้มากพอจกนกระทั่งคุณเกิดพลังเกิดพลังภายในที่จะเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะเป็นมีสิทธิ์มีสิทธิ์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> คุณต้องจะต้องอย่างนั้นเลยต้องระลึกอย่างนั้นเลยแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดศรัทธานั่นเองเกิดความเชื่อมั่นที่ว่าเราต้องทาได้เหมือนกัน อย่างนี้มันถึงจะมีพลังในการที่จะทำํำลดไลกิเลตเราได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยเรยนะอันนี้เวราบางทีเนี่ยทำไมต้องมาฟังธรรมทำไมจะต้องศึกษาเรื่องของธรรมะต่างๆเรื่องประวัติของบุคคลที่ท่านบรรลุไปต่างๆทําไมจะต้องมามาศึกษาก็เพื่อเดี๋ยแหละสร้างพลังภายในสร้างความศรัทธาเราเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้น จนกระทั่งเราเนี่ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเกิดเกิดพลังเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันจะขับดันภายในเราเนี่ยที่ให้เราเนี่ยเรียกว่าต่อให้พระเจ้าท่านใช้คาว่าต่อให้อออืมืมันยากลําบากเหลือเกินเรียกว่าน้ําตาไหลพลาก plag p l เลยยังไงก็จะทํายังไงก็จะต้องทําให้ได้ถืออย่างนั้นเนี่ย บางที่จะเจ็บบวดทล ร, รมายังไงก็ตัดใจตัดใจทาเพราะเราคิดว่ายังไงต้องได้ดีกว่านี้เพราะจริงๆเนี่ยเราจะภากอะไรออกมาแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยคุณต้องตัดใจทั้งนั้นแหละไม่มีว่าว่าว่าไม่เสียดายไม่อะไรอาวรอะไรนะไม่ห่วงหาไม่คิดถึงเลยไม่มีทางหรอก ไม่ได้คุณภาคสิ่งที่คุณเกลียดเนี่ยใช่ไหมไอ้ น, นี่เราไม่ชอบมันไม่เอาอยู่แล้วอะ่ะอันนั้นคุณไม่ต้องไปภาคอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยให้ภาคนี่ก็ให้ภาคจากสิ่งที่เราเรารักอะ่ะสิ่งที่เราติดสิ่งที่เรายึดเอาไว้อะนั่นแหละโหมันต้องตัดใจกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าท่านกว่าจะได้มาเนี่ยโอโ้โหมุณยิ่งศึกษามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่ง ยิ่งทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นคุณจะยิ่งเกิดสภาวะ น, นั้นเลยอะบอกโอ้โหเห็นเลยว่ามันมีทางเดียวจริงๆแล้วคุณในครั้งนี้คุณจะไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมปฏิบัติธรรมนี่มันถึงยากนะโอ้โหบางทีมันทำไมต้องเจ็บปวดเหลือเกินยิ่งคุณไปรักใครชอบใครแล้วให้คุณทิ้งนะโอ้โหให้คุณเลิกมาให้คุณออกมาโอ้โหมัน ภาษาชาวบ้านเนี่ยก็อะไรอะ่ะเหมือนใจจะขาดรอนรอนอมไปอย่างนั้นจริงๆนะมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินแต่พอคุณนึกถึงถึงท ร, ร ม, มาคุณนึกถึงบุญบา ร, รมีอะไรต่างๆแล้วเจ็บปวดยังไงก็ทำคราวนี้คุณจะเข้าใจพระเวสสันดรเนี่ยมากขึ้นว่าโอ้โหทาไมยอมทาทาไมตอนแรกก็ลูก อ, ะอ่ะทรา์สมบัติก่อนใช่ไม เสร็จแล้วก็มาลูกเนะี่ยการหาชาลีเอามาถึงพนางมาสัสซีโอ้โหตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ใช่ว่าไม่รักไม่เสียดายนะโอ้โหรักเสียดายแต่พูดง่ายว่าต้องใจแข็งแข็งต้องยอมตัดใจถ้าเป็นอย่ที่ีโดนคนด่าหน่อยก็จะบ้าเหรอ <c oughs> อ้จริงๆโดนด่าหน่อยเราก็คงไม่สู้แล้วคงไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ยังมีเลยยังมีคนเขา มาว่าเลยไงที่บอกว่าเจ้าชายศรีษถาเนี่ยทิ้งพูดขอพูดภาษาชาวบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อแม่แล้วก็หนีไปบวชเนี่ยเนี่ยใจดำมากเขาก็ว่าเป็นเราเนี่ยถ้าเราไม่ชัดเจนเราไม่แม่นเป้าในทิศทางที่เราจะไปเนี่ยโดนว่าโดนอะไรพวกนี้คุณก็กลัวแล้วบางทีไม่ต้องอื่นหรอกแค่ กินมังสุราแต่เดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ป่วยหรอกเดี๋ยวก็เจ็บหรอกมึงดีก็ชักชักเป๋เๆแล้วชักถ้าคุณไม่แน่จริงนะคุณก็ชักเป๋ๆแล้วออหรือบางทีเนี่ยแหละพอมาถือศีลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยบางีบางคนมาถือศีลแปดเอาพอมากินเป็นมือแล้วก็เลิกกินจุบจีบเอาแล้วทีเดี๋ยวคนโน้นก็มาทักคนนี้ก็มาถามเอาไอ้นี่มาฝากเอาไอ้นนทมาให้เอาแล้วทีข่าวนี้ก็เริ่ม เริ่มชักจะเป๋ไปเป๋ม า, าเพราะอันี่ยถึงบอกถ้าคุณไม่ไม่หนักแน่นไม่ชัดเจนไม่มีไม่มีตัวที่จะยึดยึดที่ศรัทธาเนี่ยนะคุณไม่ชัดเจนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณก็ก็อะไรอะ่ะก็อ่อนลงอะ่ะใจมันก็จะอ่อนลงอ่ะตอนนี้เราก็ฟังดูนันเนี่ยวันที่จะจบปมื่อวานเนี่ย <laughs> อ่ะตอนนี้ ระเจ้าประเสริฐที่ก็บอกว่าเออเห็นไอ้ลูกน้ำเต้าเนี่ยมันจมน้ำได้ผู้เจ้าท่านก็นเลยพยากรมหาบาพิษผลของความฝันนี้จะเกิดขึ้นในการข้างหน้าเมื่อโลกอนาคตหมุนไปถึงจุดเสื่อมในยุคสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอีกแล้วฝันสิบเรื่องเนี่ยเกือบเกือบหมดเลยนะที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม นเสร็จแล้วก็จะไม่พระราชทานยศแก่ผู้ดีมีสกุลแต่จะพระราชทานยศแก่คนซามไรสกุลพวกคนซามจะได้เป็นใหญ่พวกผู้ดีจะยากจนก็คล้ายกันอีกแล้วนะถ้อยคำของพวกผู้ดีจะไร้น้าหนักคำพูดของพวกคนซามคำพูดของพวกคนซามจริงๆแล้ว ใครควรมีน้ำหนักมากกวันระหว่างคนดีกับคนไม่ดีน้ำหนักคำพูดของคนดีน่าจะหนักแน่นกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้่วยง่ายว่าถ้อยคำของพวกคนดีกลายเป็นไรน้ำหนักไม่มีใครจะเชื่อเชื่อถือเชื่อฟังอะไรเลยแต่คำพูดของคนซามจะหนักแน่นมั่นคงทั้งในที่เฉพาะพระพักพระราชาหรือในที่ประชุมอํามาศ ในที่โรงสารเป็นคำพูดที่ไม่โยคลอนมีหลักฐานแน่นหนานี่คำพูดของคนชั่วกลับกลายไปเรียกว่าโอ้โหไม่มีใครไปกล้าแตะไม่มีใครไปกล้าเถียงไม่มีใครไปกล้าค้านแยงอะไรเลยคำพูดของคนชั่วนี่พูดอะไรไปกลายเป็นโอ้โหอย่างกับศิลาก้อนใหญ่ที่หนักแน่นนะ ตั้งลงไปปั๊บใครมาเขย่าอะไรก็ไม่ไหวไม่หวันไหวอะไรไม่สันไหวอะไรเลยแม้ในครนี้แม้ในสังฆนิบาทสังฆนิบาทนี้หมายถึงว่าในที่ประชุมสงฆ์คำพูดของคนชั่วทุสินเท่านั้นจะเป็นคำตัดสินคนให้พ้นทุกได้เป็นสังงั้นไปคือแสดงว่า คนที่เป็นทูตศีนเนี่ยก็คือภิกษุที่ทุตศีล ก, ก็แล้วแต่หรือว่าคนที่ทุศีลคือคือคารวะก็ได้ที่ที่ผิดศีลบ่อยๆเนี่ยแต่มีอานาจอยู่ในหมู่สงฆ์อ่ะเพราะนั้นพูดไปเนี่ยพูดแล้วสามารถทำให้คนเนี่ยพ้นทุกได้ทำไมพ้นทุกได้ก็เพราะใครขัดใครขวางอะไรไม่ได้ใช่ไยมพราเขาตัดสีนได้อ่ะ ต, ตัดสินให้ออ ไอ้นี่ไม่ต้องทําก็ได้อ่าไอ้นี่ไอ้อย่างงี้ต้องทําอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้แบบว่าถ้าคุณคุณอะไรอะ่ะคุณทุกมากุณอะไรมาเขาตัดสินอะไรไปให้คุณเนี่ยไม่ต้องทุกเลยก็ได้เออเพราะะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้อยคําของพวกภิกษุรัชชีรูรนะนภิกษุรัชชีคือภิกษุที่ มีความระอายมีฮิริโอตัปปะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเหมือนเวลาที่ลูกน้ําเต้าจมน้ำนั่นเองภัยจากความฝันเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแก่พระ อ, องค์เช่นกันเพราะความฝันเรื่องนี้จะเน้นตรงคำพูดของพวกคนเลวจะมีฤทธิ์มากกว่าคำพูดของคนดี ในสำหรับความฝันข้อนี้จะเน้นที่ตรงนี้มันก็ให้เรารู้ไว้วันบางทีเนี่ยอย่าเข้าใจว่าปฏิบัติทําได้รู้อะไรรู้สัจธรรมรู้อะไรดีพอแล้วอย่านึกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะเชื่อหมดนะอ่ามันอยู่ที่ว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มไหนด้วยใช่ไหมคุณไปอยู่ในกลุ่มคนเชื่อเนะี่ยไอคนที่ชั่วที่เก่งที่สุดเนี่ะมันก็เป็นหัวหน้าแหละ คุณดีคุณเข้าไปคุณจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณสู้เขาไม่ได้หรอกคุณไม่มีรทธิ์พอหรอกนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องรู้บุคคลรู้กาละรู้สถานที่อันนี้ฝันเรื่องที่สิบสามเมื่อกี้นี้น้ําเต้าจมน้ําได้คราวนี้ศิลารอยน้ําศิลาศิลาส่วนมากก็จะใช้กับก้อนหินใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะเรียกว่าศิลาหม่อมฉันฝันเห็นศิลาก้อนใหญ่ ขนาดเท่าเรือนเท่าบ้านเลยลอยน้ำได้เหมือนเรืออะไรเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าค่ะมหาบาพิษความฝันนี้ก็เช่นกันเป็นลางบอกเหตุในการข้างหน้าอนาคตจะมีพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอีกละทรงพระราชทานยศแก่คนสามไร้สกุลคนพวกนี้จะเป็นใหญ่พวกผู้ดีมีสกุลจะตกยาก ใครๆจะไม่เคารพพวกผู้ดีแต่จะเคารพพวกเป็นใหญ่เท่านั้นคือใครๆก็ไปยอมกับอำนาจหมดเพราะนั้นเรื่องเรื่องผิดถูกทั่วดีอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ใครมีอำนาจเขาก็ไปยอมคนนั้นถ้อยคำของผู้ฉล า, าดในการบินิจฉัยคดีที่เคยหนักแน่นมั่นคงดุดศิลาก้อนใหญ่กลับไายน้ำหนักไม่อาจตั้งมั่นได้ ในที่เฉพาะพระพักของพระราชาในที่ประชุมอมัมมาตในที่โรงสารถ้อยคำกลายเป็นไร้ค่าถูกยาะเยะ้ยกลับกับข้อลกี้นี้ใช่ไหมข้อละกี้บอกบอกอะไรน้ำเต้าลอยลอยน้าไอ้น้ำเต้าจมน้ำได้คือน้ำหนักคำพูดของคนชั่วมีลิตรแต่ข้อนี้เท่ากับบอกว่าน้ำหนักคำพูดของคนดี ยังกับคนนกเลยคือเบาวิวเลยแม้ในที่ประชุมสงฆ์ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักก่าวาจามีหลักฐานดีปานใดก็กลายเป็นเบาวิวเลื่อนลอยไปเหมือนศิลาลอยน้ำได้นั่นเองภัยจากความฝันเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแก่พระองค์เพราะเป็นเรื่องของอนาคตนะก็คลายข้อกีนี้เพียงแต่ เพียงแต่ตร ง, งข้ามกันฝันเรื่องที่สิบสี่นางเขียดกินกินงูเหา่าไม่รู้นะทำไมต้องบอกว่านางเขียดด้วย <c oughs> กบเขียดนี่แหละเออแต่เป็นเขียดตัวเมียก็เลยเรียกนางเขียดไม่ใช่คนชื่อเขียดนะเออเขียดจริงๆหม่อมฉันฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะซางอาจจะมาไม่รู้ว่าดอกมะซางมันจะขนาดไหนใครรู้บ้าง ใครรู้จักไหมดอกมาซางอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันะก็เลยไม่รู้ว่ามันขนาดไหนแต่พูดถึงเขียดเฉยเฉยอ่ะรู้เออนี่บอกว่าเขียดตัวเล็กๆกันนะก็เดาเอาลวกันปาเออมันก็คงตัวกระจจอยกระจจิดอ่ะอ่าก็ตัวนิดิดเดียวนะอัตมาว่ายิ่งตัวเล็กๆเนี่ยอัตมาว่าดอกมาซางมันก็คงไม่ใหญ่อะไรนักหรอกอัตมาว่าอาจจะสักเท่าไหร่ดีอ่ะเล็กๆก็สัก ตัวสักเท่าไหร่สักนิ้วหนึ่งนะเออเอ า, เอ า, เอานิ้วหัวแม่โป้งก็ไเอาเอาเอปรากฏว่ายังไงพวกเกียดตัวเล็กๆกระโจนไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆพอทันดูนะพอทันก็กัดงูเห่าจนเนื้อขาดแล้วกลืนกินความฝันอย่างนี้จะเกิดผลเช่นใดพระเจ้าค่าอุ้ยฝันแปลกประหลาดทั้งนั้นเนะ่ ฝันพระเจ้าประเศนที่โกรธศนยิ่งกว่าไอ์หนังการ์ตูนอย่างนะโอ้ฝันแบบคือคือมีแต่การ์ตูนนะ่ะนะถ้าถ้าถ้าเป็นเราเราเราเกิดไปฝันอย่างเงี้ยนะเหมือนกับฝันเหมือนกับได้ดูหนังการ์ตูนเนี่ยแบบแบบแบบแปลกพิสดารแบบแบบคิดแล้วเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคิดได้ โอ้โห oh, ฝันแบบนี้นะผู้เจ้าคิดได้มหาบาพิษจะไม่มีภัยใดๆแกพ่พระองค์เพราะความฝันเรื่องนี้เป็นลางบอกเหตุในอนาคตเมื่อโลกเสื่อมโทรมมากส่วนใหญ่อะ่ะโลกเสื่อมโทรมงนั้นคําว่าโลกเสื่อมโทรมเนี่ยหมายถึงโลกโลกโลูกเนี้ยเออมันเสื่อมนั่นอย่างหนึ่งหรือโลกที่หมายถึงบอกก็แล้หมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเนี่ยแหละ เราเรียกว่าโลกโลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเสื่อมเมื่อไรเนี่ยเราเราทำได้เหมือนกันนะไม่คิดถึงคนอื่นนะคราวนี้ถ้าคุณถึงยุคเสื่อมของคุณเนี่ยมันไหนหน้ามืดขึ้นมาคุณทำได้คุณจะเป็นนางเขียด <laughs> นะที่จะกินเกินกินงูเห่าได้เออเป็นยังไงก็ดูนะพวกมนุษย์จะมีราคะจริตรุนแรงชั่วช้า ปลอยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสกามสาววัยรุ่นเป็นภรายาตั้งแต่ยังเด็กอ่าตอนนั้นเรามีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าต้นไม้ต้นนิดเดียวก็ออกลูกออกผลอะไรเงี้ยอ่ข้อนี้ก็เหมือนกันแหละข้อนี้นังเขียดนะค่อนข้างที่จะตำหนิผู้หญิงอ่เป็นยังไงบอกเนี่ยก็จะเป็นภรายาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลย ยังเด็กอยู่ก็เป็นภรรยาเขาละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในอำนาจของภรรยาเด็กนั้นคือพูดง่ายๆว่าเนี่ยนยนางเขียดจะเป็นใหญ่ภรรยาเด็กนี่จะเป็นใหญ่คือทุกอย่างอะไรนี่พูง่ายๆลิบหมดไม่ว่าจะเป็นข่าทาาบริวารสัตว์พาหณนะทรัพย์สินเงินทองล้วนต้องอยู่ในครอบครองของนานทั้งสิ้น เมื่อพวกสามีถามถึงเรื่องเงินทองข้าวของพวกนางก็จะตอบว่ากงการอะไรของท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราหรือคือพูดง่ายๆว่าอย่ามายุ่งมีอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นหาเงินมาอย่างเดียวพอนะถ้าพูดแบบชาวบ้านนะเสร็จแล้วยังไง พอว่าสามีไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็ด่าทอต่างๆนาน า, นาทิมแทงสามีด้วยหอก ค, คือปาก <c oughs> หอกนี่คือปากนะ <c oughs> ก็ทีสามีไว้ในอำนาจดุดทาดและคนรับใช้เลยทีเดียวเหมือนนางเขียดเกลืนกินงูเห่าฉะนั้นนี่เป็นฝันข้อที่เท่าแหละ14เราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องตีความมากชัดเจน ง่ายได้ในการเข้าใจคือพูด ง, ง่ายว่าจะมียุคที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ไม่รู้ละบ้านไหนก็แล้วแต่อ่าหรือบอกแล้วนะไม่ต้องบ้านไหนนะใครก็แล้วแต่มีอิถธิภาวะมากมากนะก็จะมักใหญ่ความน่ากลัวนะผู้หญิงมักใหญ่กับผู้ชายมักใหญ่เนี่ยมันมีได้ทั้งคู่อ่มีได้ทั้งคู่แต่ถ้าเวลาผู้หญิงมักใหญ่แล้ว จะน่ากลัวมากกว่าผู้ชายจะร้ายมากกว่าเอาจริงๆนะจะร้ายมากกว่า mm hmm. เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายโดยทั่วไปเนี่ยมีอำนาจมากกว่าก็เลยมักใหญ่ไฟสูงโดยทั่วๆไปเนี่ยเราเราดูในประวัติศาสตร์เราจะเห็นผู้ชายเนี่ยมากกว่าเท่านั้นเองแต่บอกแล้วนะถ้าเกิดเวลาผู้หญิงร้ายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอาตมาว่าจะร้ายกว่านะอืมเพราะในที่สุดเนี่ย สูงสุดที่จะเป็นผู้พระเจ้าถึงผู้หญิงเป็นไม่ได้มีแต่ผู้ชายเป็นได้เท่านั้นเพราะนั้นคือคือยังไงก็จะไปสร้างวิบากไว้เยอะไงผู้หญิงอะ่ะยกเว้นผู้หญิงที่พยายามมีปุริสสภาวะพยายามปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณตัวเองให้ให้ให้เป็นปุริสภาวะหมายถึงสภาวะที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อ ย, อ ย, อ, ยอย่าไปเข้าใจผิดนะ อย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปยึดแต่ร่างผู้ชายร่างผู้หญิงอ่าอย่าไปยึดแต่ร่างเพราะจิตเนี่ยถ้าคุณสามารถทําเป็นปุริสบาวะได้มากขึ้นมากขึ้นคุณก็มีสิทธิ์จะไปเกิดได้ร่างเป็นผู้ชายละเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นกลางกลางอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าคุณทําคุณสมบัติของจิตวิญญาณคุณเนี่ยให้ได้คุณสมบัติเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงล่ะเพราะคุณก็มีสิทธิ์จะไป เกิดได้ร่างผู้ชายหรือได้ร่างผู้หญิงตามคุณสมบัติของจิตจิตวิญญาณเราที่เราทําเราเราสะสมวาสนาบารมีบุญกุศลต่างๆเอาไว้วร่างที่จะได้เนี่ยมันได้ตามจิตวิญญาณ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณบางชาติกูจะไปเกิดเป็นผู้ชายก็ได้บางชาติกูจะไปเกิดเป็นผู้หญิงก็ได้อ่ากูมีบุญมากหน่อยคุณก็ไปได้ร่างผู้ชายกู จิตตกหน่อยใช่ไมคุณไปมีไปเจอวิบากอะไรไว้คุณก็ไปได้ร่างผู้หญิงอ่าอย่างเงี้ยแหละพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงก็เลยมีบา ร, รมีน้อยกว่าผู้ชายไปหมดซะทุกอย่างไม่ใช่นะผู้หญิงบางคนถึงยกถึงการมีบา ร, รมีมากกว่าผู้ชายได้แต่วิบากกรรมมีอีกที่เรียกว่าบอกแล้วไปสร้างวิบากอะไรไว้ทําให้บางที คุณชาติต่อไปคุณต้องไปได้เป็นผู้หญิงคุณก็ต้องไปเป็นผู้หญิงแม้คุณจะมีบา ร, รมีมามากก็ตามเพราะหนี้ก็ต้องใช้อะหนี้ก็ต้องใช้บา ร, รมีก็จริงด้วยแต่หนี้ก็ต้องใช้ด้วยเพราะมันก็ต้องมีหากกบลบหนี้กันไปว่าชาติไหนชาติไหนวิบากกรรมชุดไหนมาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่มากบา ร, รมีส่วนใหญ่แล้วก็มกกักจะได้เกิดเป็นผู้ชายมากกว่า ที่จะเกิดเป็นผู้หญิง อ, อยังประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยอดีตชาติหรืออะไรต่างๆพยายามจะค้นหาอยู่ก็ยังค้นหาไม่เจอเลยที่จะมีชาติไหนเป็นผู้หญิงยังค้นหาไม่เจอยังหาไม่เจ อ, อเพราะส่วนใหญ่อะก็ในชาดกห้าร้อยกว่าเรื่องก็ยั ง, ย, งยังไม่เจอยังไม่ผ่านสายตาหาอยู่เหมือนกันว่าจะมีไหม ส่วนพระนางอะไรอะ่ะพิมพาอันนั้นอะ่ะอันนั้นก็เป็นการตั้งจิตใช่ไหมเป็นการตั้งจิตของพระนางพิมพาเองหรือยโสธรานั่นแหละไปตั้งจิตว่าจะเกิดเป็นผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมาเป็นคู่ครองกับเนี่ยเน่ยกับกับอดีตชาติของของพระพุทธเจ้าสมนาโคดมเนี่ย ก็แน่ไปตั้งจิตอย่างนั้นมาตลอดเลยก็แม่เห็นไหมมีบุญบารมีมากมากมากก็ตั้งจิตว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นจริงนะเพราะยิ่งคุณมีบุญบารมีเนี่ยบารมีคุณถึงแล้วเนี่ยแล้วคุณก็กําหนดเนี่ยคุณไปตั้งจิตกําหนดอยากได้ยังไงคุณจะได้อย่างนั้นด้วยเพราะบารมีคุณถึงเนี่ยคุณอยากจะได้ผู้ชายก็ได้คุณอยากจะเป็นผู้หญิงก็ได้บารมีคุณถึง่